เดินเลินนั่งนอนตลาบใดจากความทุกข์ดินน้ำไฟลมนะมีสามารถภาพสมาธิพอดีขึ้นกันกันแล้วก็ทำใ น, นร่างกายของเราช่องอยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเครียดมาในวนันหรื่เนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอก ข้างในก็คือกลุ่มในกา ย, ยตของเราเนี้ยมีดินมี น, น้ําไปลงนี้ถ้าว่าลมมันมากน้ํามันน้อยอืมเนี่ยไฟมันมากดิ ม, มันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมเมื่อตเดียกว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เดียวว่ะจะมาคมขางนอกจะมาคมข้างใ น, นอาศัยความจะมาดีสิดกันด้วยกันอืมอันนี้ตัวมันกัน อ้ส่วนความรู้สึกนึกคิดตัวเหมือนกันถ้ามีความพร้อมสงรุมม่งบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อใดแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันปิดเผยึปนอย่างนี้อืเช่นว่าเขาดินทาเราเราก็เสียใจเขาส่งเสริญเราเราก็ดีใจเนี่ยอืม เมื่อโยมกันอยู่ที่นี้มันก็อืยิ่งจะสุขยิ่งจะทุกข์ยิ่งจะความดีใจยิ่งจะความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกโยมก็วิ่งเหยียบไปโลกตล อ, อดเวลาเียกวัดตักสงสารเป็นวัดตาวนมีความสุขแล้วถูกหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้มา ตั้งอยู่แล้วสุกมันก็หายไปอืมเมื่อสุกหายไปแล้วทุกก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้าง อ, อยู่ยัางนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรมันจะจบอ ม, มันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นว่าจบ เลือดทกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้อ่ะมันเมื่ อ, อไรวะไอ้ไอ้สุกนี้มันต่อไม่แน่นอนพวกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงวาถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง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 อย่าโยมต้องโยมรวมเรามาเลยมกันรวมกันทำมารวมทำมาถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกข์ไมีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันระถูกลูกสอนทอ้องยู่ด้วยไฟไม่มีทางสงบทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาพวนโยมให้โยมกับพิจารณาอืมกับพิจารณาเป็นว่าน้ํา ไปตามน้ําสุดท้ทายนะยังไม่ได้บ่งมันออกโยมก็เดินไปบางทีมันก็มันเจ็บบางทีมันก็เจ็บมันไม่ยอมนะมันกำลังทานทางทาน๋ยวมันจะติดอยู่นั่นแหละโยมจะดูที่แ ท, ท้จริงก็จะกระเพาะอาการอย่างนี้นเดืยนวานหนึ่งโยมโยมจะไปหาหมอดูว่านี้อะไรอยู่ตรงนี้ดูให้ถนาดซักดูให้ดีซักจะจะเห็นน้ำอยู่ตรงนั้นเนื้อบ่งเอาน้ํเทาเอาน้ํานั่นออกเนี่ย ไอ้พอความเจ็บปวดเชนนั้นให้โยมพิจารณาไปถึงตวจริงมันนี่คืออะไรจะทอน้ํามันออกแค่แรกก็สบายใจนี่เพราะเหตุมันดับไปอืเหตุให้เจ็บเกิดเจ็บปวดออกแล้วความเกี่ยต่อให้ความเจ็บปวดคือขนนั่นมันตนัวเองอันนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าเห็นว่าถ้าโยมเห็นว่าทุกข์กับทุกข์นี้มันมีราคาเข้ากันถ้าเป็นวัตถุภายนอกเอ า, าขึ้นตาชั่ง ก็จะได้ปราณห้ากิโลเท่าเท่ากันอืมง่ายนี่ยถ้าเห็นถ้าโยองเห็นเสินี้โยองก็จะไม่ปล่อยว่าเข้าครังนั้นเข้าครังนี้นีทุกเกิดขึ้นมาโยองก็จะเห็นเสมอว่าอมไม่ทุกไปตามมันไม่ตื่นเช่นถ้าทุกเกิดขึ้นมายองก็บพบอยองก็ไม่ตื่นเช่นอืถ้าโยองไม่ตื่นเช่นไม่สินัน้ ง, งสองนี้ก็เท่ากันว่าราคาสินสองสองนี้มันเท่ากัน มันเป็นโทษเสมอกันอรมันเป็นโทษเสมอกันมันมีปัญหาเท่ากันอืมที่มาที่มาถามเราทุกวันทุกวันเฉพาะ น, นี้ถ้าโยอมเห็นทั้งสองอย่างนี้เท่าเท่ากันแล้วไอ้ความเห็นต้องโยอมมันก็ถูกต้องแล้วปัญญาปัญญาเห็นเช่นนั้นจะเป็นสัมมาสติไอ้ความเห็นเป็ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่ตึงเตนอจากับความดีใจ ที่โยมได้อะไรใดมาโยมจะไม่ตื่นเต้นกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่โยมได้มานเนี้ยนะไอความยึดมั่นถือมั่นมันก็พี้คลายออกมันก็พคลายต้องหายออกเหมือนรถเหมือนรถเมื่อกระกูมันยังแน่นหนาอยู่มันก็วิ่งไปได้เมื่อโยมไปรื้อถอนมันจะตะกูมันเปียวมันจะหายมันไปพังมันออกนะมันก็ดูดออกรถมันก็วิ่งไปได้ เมื่อโยมเนี้ยมีจังโศภาณิตาได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยในความยึดมั่นถือมันหมดที่คลายออกมันรถยุ่งไปไม่ได้อืมที่มันยุ่งไปได้เพราะมันแน่นหนาอยู่น็อตทุกทุกตัวมันแน่นหนาอยู่รลดยิ่งไปได้โยมจะเป็นทุกข์นั้นก็เพราะอะไรไอ้เพราะความยึดมั่นถือมันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพระโยมไม่รู้นะเนี่ยมันจึงให้โยมเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนการถอยึดเหนื่อยรถยังเนื่อรถเมื่อเมื่อน็อตทุกตัวมันยังแน่นหนาอยู่ก็วิ่งไปตายตามสบาย เมื่อคลายน็อมันออกแล้วรถมันก็ยิ่นไปได้ความยึดมั่นถือมันของโยนก็จะที่คลายออกกันเทามีความฟุ้นั้นมันก็วนีเกิดเหมือนรถมันยิ่งไปไม่ได้เพราะเราทําลายความชั่วเสียทําลายความไม่รู้ทําลายความหลงมันเส่ยแล้วมันไม่เกิดเป็นความรู้ออันนี้มันก็ถึงความสมบูรณถึงที่สุดได้แต่ว่านไม่ถึงที่สุดก็ยอมให้รู้จักมันว่าอันนี้มันเป็นจริงอยู่แล้ว เส่อเมื่อถูกความมิ่งทามเมื่อไรโย่มกว่ลึกนะเมื่อสือคนจะเสริเมื่อนั้นจะพอจะดีใจกันโย่อมกว่าลึกถ้ามีสติสัมปัชย์ญ่าอยู่ตลอดตาตลอดเวลาย่มก็ลึกได้ถ้ายมไปมัวเรื่องอยู่อันอื่นจ้ะทุกเกิดขึ้นมาโยงกัเป็นทุกเพราะสติโยไม่มีสัมปัญย์ไม่อยู่เหมือนกันตาบ้านของเราโย่อมกว่นี้ไปแค่ไม่ติดประตูอืมซึ้งนักก็เข้ากินเต้าสาี ทำโมนสมาทำโมนเอาฟอหมดทันใดเพราะไม่อยู่ที่นั่นประตูก็เปิดอยู่ประตูก็ไม่ปิดเจ้าฟ้งองก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันกับเราที่ไม่มีสติอ ม, มีสติอยู่ก็มีสติไปอย่างอื่นอหมือนโยมออกจากบ้านแต่โยมก็อยู่อยู่เจอแระโยมไมอยู่ในบ้านโยมไปอยู่ที่อื่นอันนี้คือมันการสติโยมก็มีอยู่แต่โยมสติของโยมมาอยู่ในที่นี้เหมือนกันแต่โยมออกจากบ้านแต่โยมก็มี ท, มทีอนนะอ่อยู่ ใจโยมไปอยู all, ่ที่นู้นใจโยมไปอยู่ที่นี่ขโมยมันขโมยของที่นี่ก็โยมไม่ดีโยมไปอยู่ที่อื่นสติของโยมก็มีอยู่ทุกทุกขณะแต่ว่าสติไปอยู่นน่นไปทํางานไปแห่งอ่เนงไม่ทําอยู่ที่นี่้าโยมทําอยู่ที่นี่บ้ามีความรู้สึกอยู่เมื่อตะครบอารมณ์ขึ้นมันทอดใจโยมก็รู้ก็เห็นว่ามันเป็นอานิจจังอยากจะยึดม hmm. ันถ so you <iph> ึงมันนั่นเลยอเมื่อประสบทุกข์ขึ้นมาโยมก็เห็น ว่าอนนี้มันเป็นอินทรีย์ทุพพังในตาอยู่ที่นั่นกต่แปลว่าโยอมกาลังปฏิบัติธรรมะอยู่ที่นั่นพอโยมอยู่ที่นั่นโยมจะเห็นสุขเกิดที่นั่นเห็นทุกข์เกิดที่นั่นเห็นสุขมันดับไปในที่นั่นเห็นทุกข์มันดับไปในที่นั่นพรโยมเข้าไปอยู่นั่นนั่นกันก็โยมยัางข้าบ้านอยู่คุณักจะไม่จินตนาสมาณนี้ได้ขโมยจะมาขโมยของในบ้านไม่ได้พราโยมอยู่ที่นั่นที่นั่นผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จึงมีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าน การยืนการเดินการนั่งการนอนของเราทำปัจจญญาดูตัวอยู่เสมอว่าบัรนี้เราทำอะไรอยู่ประดิษฐ์ได้เลยล ว, ว่าบัดนี้เราทำอะไรอยูอ่ถ้าเรามีความมั่นหมายในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราอยู่นีตลอดเวลาโยมก็จะมีหนทางที่จะบรรลุธรรมะที่จะถอนลูกสอนออกจากใจของโยมได้โยมจะมีโอกาส ขับตัวนักตัวนั่นออกหนีได้โยมจะมีโอกาสไร้โจรเต็มมาขโมยของเงินะด้พราโยมอยู่ที่นั่นอืมอันนี้โอกาสโยมโอกาสโยมที่ไม่เสียของมันจะตื่นมีชุบไม่เดือดร้อนอันนี้ก็อขันในขันนั่นการรักาษาจิตการตามดูจิตการประคองจิตการมีปัญญารักาษาจิตของตอนนี้ตัวอย่างนั้นเหมือนกันนี่ฉันตีแต่รู้อารมณ์ การเราจดจออยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นนะเรียกว่าการภาวนานอยู่แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วรู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะนั้นโยมจะทํางานอยู่โยมก็รู้จักจะเดินไปโยมก็รู้จักจะนั่งอยู่โยมก็รู้จักจะนอนอยู่โยมก็รู้จักอืมเพราะโยมมีวิริยะธรรมะปารุกความเพียรอยู่เสมอตาเห็นรูปเท่าแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไร หูฟังเสียงแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรอืมจมูกลงปีนแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรลิ้นยิ้มหมแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรคนตาพาสูดช่อทงทางกายเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรอารมณ์เกิดขึ้นกับใจแล้วมีความรู้สึกไปอย่างไงเนี่ยโยมจะรู้จักอืมตอนโยมนั่งอยู่ืนีก็อยู่เนี้ตาหูจมูกยิ่งตายจิตจะอยู่ร้องกันนี้างนี้ถ้าโยมรู้จวายโยมอยู่นะ โยมก็จะบำเพ็ญอยู่ที่นี่โยมควรจะปฏิบัติอยู่ที่นี่โยมกวจะรู้อยู่ที่นี่โยมก็จะเห็นอยู่ที่นี่ถ้าโยมมีอสติสัมปชัญญะตามรู้นี่อยู่โยมก็จะโง่อย่างนี้หลงอย่างนี้ไม่ถูกทางอย่างนี้วุ่นวายอย่างนี้เพราะนั้นการปฏิบัตินี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าโยมเห็นอยูทุกวันทุกวันพยายามเห็นเรื่อยๆภายในจิตนี่ยจะทํางานอยู่ก็เห็นอยู่ เดินไปกับทุกขณะให้เห็นอยู่นี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราจะไม่ได้วเสียวเวลาไม่พูดถึงไหะแม่้งพ่อผมไม่มีเวลาเลยจะทําภาวนานี้มันไม่ไม่เดีภาวนานแล้วมันวุ่นวายนะเราไปเห็นเช่นนั้นเสียอันที้ค้อความวุ่นวายนั่นแหละสถานที่ที่ปฏิบัติ <c oughs> สถานใดมันมันร้อนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเย็นอยู่ที่นั่นเราไม่รู้เรื่องเัน้ยถ้าเห็นว่ามันร้อนเกิดขึ้นนันก็มีแต่ร้อนไม่เย็นนะไอความเป็นกินมันยุ่งอยู่ที่ไหนมันสงบอยู่ที่นั่นถ้ามันเผิดอยู่ที่ไหนมันจะถูกอยู่ที่นั่นถ้ามันวุ่นวายอยู่ที่ไหนสงบไปอยู่ที่นั่นอมันอยู่ที่นั่นดูดสิอืมเอาสิถ้าหากว่าโยมทําอะไรที่มันผิดจิู่ตรงนั้นโยมไปแก้ตรงไหนอ่ะเอายางยางยางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยะ เนี่ยมันเสียตรงนี้ตรงนี้มันเสียยัมจะไปแกะตรงไหนล่ะนะต้อใจที่ตรงมันเสียเนี่ยแกะตรงที่มันเสียเนี่ยมันจะดีขึ้นอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะแกะตรงนั้นแล้วผิดอยู่ตรงไหนมันจะถูกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอืทีนี้เราประสบอุดมที่ไม่ชอบใจตรงไหนเราก็ปฏิบัติตรงนั้นว่าเอออันนี้มันก็ไมเน่ยเพรามันนะถูกเราไปถูกมาแล้ว โคตรตบุตรใช่พุกมาลายคลั่งลายหุนแล้วก็เท่านี้มก็ไม่เป็นในต่อไฟอีกไม่ใช่ทุกเั่านั้นเนี่ยแน่ถ้าเราคิดไม่ถูกแบบนี้มันก็เป็นไปตามสาภาวะอั น, นีเรื่อยเรื่อยไปนี่ฉะนั้นไม่อยดการภาวนา้เป็นอาการลีโกเพราะว่าคนคนทุกตัวคนนึกว่าเข้าใจว่าการภาวนาเคิกว่าจะนั่งสมาธินั่งดับตาแล้วก็ภาวนามาแห่อะไรมาปวนก็คิดว่าอย่างงั้ จะไนั่งในในการงานมันก็นั่งไม่ได้ตัวนี้วเวลาไม่มีโอกาสไอ้ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่การนั่งเป็นนั้นภาวนาไอ้เรื่องทําจิตให้รู้ภูมิปยาบทนั้นนี่ยตรงนั้นจงปฏิบัติเมื่อเขาด่าโยมอยู่อยู่ที่ไหนนั่นแหละที่ปฏิบัติจิตตรงนั้นเมื่อเขาช่วยเสริมโยมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเนี่ยโยมจะดีใจไอ้ความดีใจนั้นเนี่ยมันเป็นเจตสิกส่วนหนึ่งอีก ไอ้ความเสียใจนั่นแหละมันเป็นเจดส่วนหนึ่งจริโยมก็จะเห็นสริงตรงนั้นเนี่ยตรงโยมที่จะเห็ น, นเนี่ยจะได้รู้ทั่วถึงเนีั่นคือตรงตรงที่ปฏิบัติตรงๆอืมจิตเป็นผู้เห็นอันนี้โยมจะเห็นความจริงไม่ต้องไปอ่านตำดาไม่ต้องไปยึดมั่นตำดาอันนั้นเนี่ยเป็นความจำไม่มจะเอาความจำมาพูดไม่จะเอาความจำมาเล่น ถ้าพระพุทเร้าตองการความจริงไอ้เห็นความจริงเช่นน <im> ี <sh arp y ış> ้ไอ้ความจริงเช่นนี้ทันตว่ามันมันอยู่ที่ตัวเราโภคพลายโยตูอาการน้อมสมาทุกอย่างอืมน้อมสมาเจตัวเราน้อมสมาน้อมสมามันเหตดอยู่ที่นี่อืมอ่ะนี่เห็ุอย่ทนี้มันให้น้องมสมาถ้าไม่น้อมสมามันไม่รู้จักถ้าไม่น้องมามามันไม่รู้จักมันไม่เห็นมันก็ให้พูดคนอื่นเรื่อยไป ให้โทษคนนั้นคนนี้เรื่ อ, อยๆไปอื ừ, มอย่างว่าเรามีบุตรนะ <laughs> นี่เรามีบุตรนะเจ้าสอนเ้าไปคนโสดอยนะู่นะแล้วไปอยู่คนเดียวคนนี้ก็ว่าไม่สบายใจเนื่องๆหนึ่งมีมมแม่บ้านควจะสบายนี่ความคิดแตแม่บ้านหนึ่แม่บ้านกว่าไม่ส บ, บายนานๆจะตื่เกิดลูกก็ไม่มีร้ายคนนั่มันวูดนวายเพราะลูกกับเมียนี่แหละนะระบาดของมันเรื่อยไป อันนั้นมันไล่ไปว่าเพราะเมียทำไม่ดีมันบุ่นวายเพราะลูกทําไม่ดีมันมันจึงบุญวายเพราะอันนั้นเลยอย่งั้นเราก็อยู่สบายแล้วแล้วเราคิดอยู่ทีนึงว่าเมียใครเอามาเขามีพ่อแม่อยู่ที่อื่นเนี่ยใครเอาเข้ามาเราไปเอามาเองลูกมีใครสร้างมันมามันจึงบุ่นวายนะเนี่ยนั่นให้น้องสมาโอเมียเราไปสร้างกันมาลูกเราก็นนสร้างกันมา แบบนี้เราก็ลืมไปเใช่ไหมลูกมันวุ่นวายเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะลูกเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะเมียนะอันนี้มันไม่เห็นเจ้าของในเร็่อิตเจ้าของไว้เราไม่มีโทษเลยลูกมันเป็นโทษเมียเป็นโทษเราก็ไม่ไม่ไม่เห็นไอ้เอาพามไม่จริงไอเหตุมันเกิดจากเราเนะเราไปมีเมียมาจช่ไหมลูกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างมันขึ้นมาต่อหาว่ามันเป็นทุกข์เพราะเมียนะเป็นทุกขก์เพราะลูกนะแล้่ความจริงๆเราถูกส่วนหนึ่งนะลูกก็ฟังกันแต่ว่าถูก ถูกอย่างผิดไม่ใช่ถูกอย่างถูกถ้ามันถูกอย่างถูกก็แล้วก็จะว่าเพราะเราเอามาสร้างเป็นมานีเงรูปแต่เราสร้างมาเป็นมาต่อเพราะเราตัวนี้เราเป็นเหตุเองถ้าเรารู้จักว่าดเหตุจุดตรงแกะตรงนี้แกะตรงนี้แกะตรงโน้นแกะตรงนี้เมื่อนงก็มาเห็นอยู่ถ้าไม่น่องก็นอกหมดไปเหมือนกัเพราะเงาเป็นทุกเพราะรูปเป็นทุกเนี่ยถ้ามันนอกบอก คำนี้พระพุทธเจ้าเป็นแต่โอปนายกโอ้หาน้องขมาน้องขม่าเพราะอันนั้นมันเป็นผลน้องก็เห็นเหตุเรานี่ยเองเป็นตัวการอืเราไปสร้างเป็นมาเป็นเหตุเราไปสร้างเป็นมาแล้วก็เป็นเหตุเราไม่รู้เรื่องเราก็อเรื่องเหตุอยู่ที่โน้นมมันมันมันมันมันปกปิดความผิดว้ายมข้าเสพตัวเข้าไปดึข้าไปอีกยังไม่ค้นคว้าไม่เห็นเลย เล็กเปิดทะเลาะกับเมียเกิดทะเลาะกับลูกไปโน่นนี่เขาเห็นว่าโทษมันเกิดมาจากโน่นนั่นเป็นโลกมันยิงว่างออกไปเรื่อยเรื่อยถ้าเราน อ, าอั่งามาตัวะเราเนะพราะเราจริงติดล้านต้เป็นมานะไอ้ความผิดจะตรงไหนต้องแก้เราดีกวา่าอืมเยทธรรมาให้ตู ป, ปะตะาวานันทำมันเกิดพเพราะเหตุนี้มันเหตุเพราะเรานเป็นเหตุเพราะเรามันจึงมีเมียนีลูก นถ้าเราเห็นเช่นนโอทํา ม, มันเกิดเพราะอันนี้ฉะนั้นเราจึงมาระงับเหตุนั่นเสียคือตัวของเราเนี้ยเราจําไว้มีแต่เพราะเรานะนั่นแต่เพราะเราถ้าเหตุที่ไม่มีผลมันก็ไม่มีฐานะที่เมื่อธรรมะตรงน้อมต่ อ, อมาอย่างนี้เห็นอยู่ที่ตัวของเจ้าของไม่ได้เห็นอยู่ข้างนอกมันเห็นอยู่ภายในในจิตของเจ้าของ จ, จริงไหมมันจะตามดูไปเรื่อยๆไปมันก็จริงทั้งนั้นแหละถ้าหากว่ามันจริงเช่นนั้นจะทําไงเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติทำ เกิดการอา่อนวางสอนเงียบกวสอนโผลสมควรอืมสอนรูปกว่สอนโผลสมควรสอนในทุกเกิดขึ้นมาให้มีความสุขเกิดขึ้นมาแต่ว่าเป็นเพราะเราแล้วจะปล่อยวางมันเลยทำไม่ได้ดูเนี้ต้องสอนมันต้องว่าให้มันให้มันเป็นคนดีขึ้นสอนมันเพราะอะไรให้ทั้งตั้งใจแล้วจึงสอนให้รู้ตัวแล้วจึงสอนเหมือนกับช่างหม้อก็ดีหม้อ ตรงนันงงงนะง้นก็ตีมอ่ทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเ้าน่ยกระทั่งวันสตีมอ่ขายเพราะอาชีพเขาเป็นนายทั้งมอ่ตีกระทั่งวันเขาตีไปให้มันแตกตีให้มันเป็นมอมน่นี่คือเงื่อนไขเราสอนลูกสอนเมียเราไม่ใช่เราปล่อยนั่งหมดจำสอนมาแต่สอนต้องตั้งใจแล้วจะสอนเมื่อจะสอนเมื่อไรนี่ถึงนายทั้งมอ่มอ่มันตีหมอ่ทาไมตีเพื่ออะไรตีจะให้หมอแตกหรือตีจะตีให้มันเป็นหมอ ที่อุตส่าห์น่ะถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นมาบอร์อยังเราจะสอนลูกตอนเดียร์เราเราควรรู้สึกทางมอเหมือนนั้นแล้วก็ค่อยสอนมันก็ค่อยบอกมันถ้ามันไม่ตีมันก็ไม่เป็นหมอกใช่ไหมแกตีได้หมอกแกอันนี้คนถ้าไม่สอนมันก็ไม่ได้สอนให้มันเกิดประโยชน์ยังสอนให้มันเกิดโทษกับเราเราก็รู้จักอย่างนั้นน่ะเเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่แล้วปัญหามันเจนขนาดนั้นมันแก้ที่เราเองเนี่ย เรียกวาผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องนึกอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนั้นจ <ฮะ S 1> ริงไหมยึดัดข้ออะไรไหมถ้าหากว่ามีบุตรอยู่แล้วภรรยาอยู่แล้วแล้วก็บุตรและภรรยานั้นยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ยังเมืด อ, อยู่อืมแล้วถ้าถ้าหากว่าบิดาหรือว่าหัวหน้าครอบตัวเนี่ไปตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเนี้จะต่อโทษทีตัดยังไงตัดจำนวนเฉพาะหมายถึว่า ทิ้ออกไปที่ิ้งไปอยู่ที่อื่นไปก็ยังไปผู้จอมบดเชียเนี่นะแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่แห่หนึ่งซึ่งมัได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่เรียบร้อยพออันนี้จะเป็นโทษอันนี้เราคิดยังไงมราหวังยังไงที่เราจะออกไปอย่างนั้นถ้าเคิดเี่ยต้องการอยากจะมาประพฤติปฏิบัติในธรรมแต่ผู้เดียวอืม โดยที่ภุและภรรยานั้นก็ยังมีภาระอยู่ยังไม่เรียบร้อยอย่างนี้จะให้โทษกับตนเองนะหีือจะให้กับภรรยาตับภูถินะอันนี้ไม่มีพันธะอะไรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นปุถุชนะถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่เกลียดถ้าเรามีความมุ่งหวังอย่างพระพุทธเจ้าของเราอืมานลาก็ไม่พร้อมบดาก็ไม่พร้อมธรรยาก็ไม่ไม่เห็นพร้อม ทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านไหนไม่เป็นตำเพราะท่านทําเหนือสิ่ ง, งหลายเหยียดใจที่ท่านจะออกไปนั่นน่ะท่านเหนือสิ่งทั้งหลายนะเมื่อก า, ารออกไปหรือการการะ ท, ทําเช่นนี้อืมไม่ใช่ว่าท่านทําเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ท่านทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ ก, ก็บกุคคุญทุกคนตลอดพ่อแม่ลูกเมียทั้งหมดไม่ใช่ตัดท้องน้อยตปเฉพาะตัวเมื่อความคิดทุกคนอย่างนี้ ก็ต้องคิดถึงนนั้นพระพุทธเจ้ากานคิดอนะันนี้เหนือคนอันนั้นท่านต่อไปมีตาถ้าเราคิดเป็นมหากศุสุน<ม>จริงๆนะ<ม>เพื่อรื้อจัดถอนถอนจัดเพื่อทำได้เจตีมานะอืมเพื่อแนะนําคําสอนประโยชน์ตนให้คน<ม>ได้สร้างประโยชน์ถูกมีอะไรในทางธรรมะนะอืมการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรพ่อโทษที่จะเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาพ่อเรารับออกมา เรื่องโยกยินทาก็เป็นธรรมดาของโลกเพราความเห็นเป็นนี้อืมอันนี้ยากคนที่จะต้องเห็นได้ที่ น, นี่ถ้าเราจะพูดเรืงภาระของดู่เนี่ยเมื่อไรมันจะจบมันจบบางทีตรงนั้นีจบนอนดี่แต่ภ <laughs> าระของดู่ของเมียนั่นน่ะเมื่อ <laughs> ไร ม, มันจะจบเมื่อไรจะจบถ้าในหมดกิเลสแล้วมันก็ไม่จบเหมือนกันที่คนสมัยโบาณกล่าวว่าอื เรื่องลูกไม่โตมันมันไอการงานในลูกมันจบที่ตรงไหนนอนมันจะอืมเนี่ยดูเรื่องของลูกมันจบตรงไหนที่น่าเจียงวันมันเป็นประสาวนเนี่ยเหมนเนี่ยเหมือนอย่างนี่ยเหมือนปากระโทนอะไรเนี่ยถ้าแมลงมันวิ่งอยู่ตรงเนี่ยตลอดการมันก็ไม่จบนะดลายชีวิตมันก็ไม่จบตลอดทุกๆุชีวิตมันไม่จบ เพราะว่ามันกลมอย่างนี้เมื people, Until, ่อมันกลมเชนเนี่ยมันก็มีภารัดติดต่อกันเรื่อยไปแต่ว่าทางมันไปเช่นเนี่ยมันก็กลนแทยมันไปตายแล้วแต่มันกลมมันจบไม่ได้เมื่อหากว่าแมลงไม้อที่มาตายตามขอบกระถิ่นอย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะจบแต่ใจมันก็เรียกว่ามันจะจบอยู่แน่ๆเพราะว่ามันเห็นผิดไปแต่ว่ามันให้จบแต่มันว่ามันคิดว่ามันจะจบเรารูเหมือนกัน ไม่เดินในวงกลมมันเนี่ยก็นึกว่าวันหนึ่งมันจะจบคนนึกว่าวันหนึ่งมันจะจบเรื่องเดินทางนี่มันไม่จบแต่ประเด็นเราปรารถนาวันไม่จบแล้วก็จะออกไปเมื่อพอสมควรเราก็ออกนี่นี่อยู่แค่จะเดินทางด้ให้จบไม่จบมันไปของมันเนี่ยเหมือนท่านัเตียบ่านั้นเหมือนวัวตะเกียนอืมแอกระวางบนคอวางตัดดันไปนะล้อเพียนมันสมุนไปเรื่อยเรื่อไปนะ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 วัวมันก็ยังมีอยู่นะเมื่อไรมันจะจบมันก็ทางเตียนมันก็ทางก็ของเตียนมันก็ทางวัวมันก็พันกันไปเรื่อยประตัดรขี้กันไปเรื่อยรอเพียนมันก็หมุนคับลอยโคไปเรื่อยไม่มีทางจบเนี่ยเมื่อไรมันจะจบอืมเมื่อเอาแอกออกจากคอวัวแล้วนั่นเนี่ยรอบเพียนมันจะหยุดหมุน เมื่อรอเปี่ยนมันหดหมุนแล้วมันจะไม่ทักหอยโคเนียวโคกับรอยมันออกไปจะของเปี่ยนจะของโคก่อ น, นี้ออกไปคนได้ยา่างโว่วก็สบายใจมันมีลากเพียนไปจะของเพี่ยนจะของวัวนั้นก็ไม่ดำขานส่วนนี้ไปอิทธิเพี่ยนตรงนั้นมันก็หยุดอยู่นานไปนานไปนานไ ป, นนไปมันจะไม่เป็นเปี่ยนนะ มันจะเป็นดีนมันจะเป็นธาดมันจะพังบางีนั่นนั่นแหละทางเลือกกันจบอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่ะอันนั้นให้จบก่อนอันนี้ให้จบก่อนให้จบตก อ, อืมลอกเยีย น, น ย, ยังมีอยู่โค ย, ยนนังมีอยู่เจ้าของเปลี่ยนยังมีอยู่จับปัจจุบันไปเรื่อยหีหาทางจบไม่ได้อืมตาเอาแอกออกจากคอโคละพอวาแล้วนั่นนะเยียนก็หยุดมุนเนี่ยอันนี้ตือมันกันอันนี้เห็นไหมอืม ไอความอยากนะไอความอยากฟังมันอยากอะไรมันจะโตกับมันอยากนะมันอยากมันอยากมันอ้างเี้ยฟังแต่ว่ามันอยากมันอยากไปอยู่จบมันไม่มีทางจบอ่ะอยากอะไรโตกับมันตัณหาไม่มีอะไรมันมีอะไรจะโตกว่านี้อีกใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่กว่าตัณหาอืมนัาถิตัณหาสัมมานาฏิแม่น้าเติมเงินเลยตัณหาไม่มีนัาถิปัญญาสัมมาอาภา อืมแสงสว่างเส็มเมื่อไปัญญาไม่มีข ม, ม, มันเกิดตัญหาแตมานาจีอืมแม่น้ำเส็มเมื่อไรตัญหาไม่มีขมมันเป็นทนี่นี้อืมปัญญาจะมาอา่านืมแสงสว่างเสมเมื่อไปัญญาไม่มีทสองอย่างนี้มันฆ่ากันในตัวมันจบบังพับให้จบอืม ในน้ำทั้งหลายมันไม่เสมยโดยกาหาการหาเนี่ยอยากเรื่อยไปหานีมาได้นะเออได้รถเอกคันนี้มาแล้วไจะพอแล้วมั้งอ่ก็หามาได้ก็เออดีใจมันก็ให้หาดีหายากไปอีกการหาได้มาก็ตันไว้ตันมีไว้ก็หาไปอีหาดันได้มาเรื่งมันจะพอได้มาตัตันไอีกมันตันยังก็ให้หาไปอีก มันตามเรียกว่หาไปตามรยกว่าหาได้วยเรียกว่าตัณหานาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอวยตัณหาในปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอปด้วยปัญญาในมือสองอย่างมันเปคู่กันสร้างความสว่างขึ้นมันจริงผงชัดกว่ามืดได้ถ้าความมืดเปมีแสงสว่างนี่ยมันก็มีรี่กาตัณหาสืความอยากมันก็ไม่จบ มันจบเกิตรงไหนมันมีทางที่จบถ้าปัญญาเราไม่รู้เห็นตามจริงๆได้มันก็ไม่จบเรื่องจบนี้ม่มีจะหาว่าห้มันทํำนั้นนี่มันเสร็จตอนทํำนี่มันเสร็จกอนเรื่องการเสร็จในโลกมันมีการงานการงานให้จบในโลกไม่มีทุกชีวิตไม่มีจบเรื่องมันจบเพราะมันเป็นวงกลมเหมือนรอบเพลียนมันก็เลยไม่จบ คงจะเป็นเงินมันม้งไปคิดดูไปได้เลยแต่บ้า พ, พอสม้งควรแยกแค่ว่าหาหาจับกจมบัตรมาที่นี่พอแล้วมนันก็ไม่พออีกหาต่อไปอีก อ, อย่างทานอาหารบางนี้เออเอาละพอแล้วใเดี๋ย <laughs> วคงนี่มันจะหาหาอีก